อีกอย่างหนึ่งนะคะป้าหนอมรู้สึกได้แม้ว่าทั้งสี่คนนั้นจะอยู่ในเงามืดแล้วก็ห่างออกไปพอสมควรแต่แกสัมผัสได้ด้วยสัญชาตญาณว่า4คนแม่ลูกนั้นกำลังจ้องมองมาที่ป้าหนอม